สงกรารสงกรานก็จบลงนะอย่างเป็นทางการเนะมื่อวานวันนีนะ้หลายคนก็เจอบรรยากาศหรือความรู้สึกที่นะตรงข้ามกับวันสงกรานนะวันสงกรานยังให้ความ ส, สนุกสนานรื่นเริงสระเซรนะีแต่ตอนนี้หลายคนก็ เรียกว่ากำลังอยู่บนรถที่กำลังติดนะเจอความเครียดเพราะว่ารถติดแน่นขนาดในความสนุกสนานนะกลายเป็นอดีตดไปซะและ้วตอนนี้หลายคนถึงแม้จะไม่เครียดเพราะรถติดแต่ว่าก็อาจจะรู้สึกอะไรนะในความสนุกสนานที่เพิ่งผ่านไป อาจจะมีความหงอยเหงามาแทานที่หรืออาจจะมีความเครียดเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องไปทํางานซะละไม่ใช่แค่รถติดแน่นขนหนักไม่รู้จะถึงบ้านเมื่อไหร่ถึงบ้านเสร็จก็กต้องเตรียมตัวที่จไปทํางานในวันรุ่งขึ้นนี่ก็เป็นธรรมดานะความสนุกกับความ หอยเงาเนี่มันก็มาด้วยกันอะไรที่ให้ความสนุกกับเรานะมันก็นํามาซึ่งความหอยเงาอ้างว้างเพราะว่าสิ่งที่ให้ความสนุกสนานกับเรามันไม่เที่ยงอย่างที่มีภาษิาจีนว่าเนี่ยงานเลี้ยงนะย่อมเลิกลาย่อมมีวันเลิกราจะสนุกสนานในงานเลี้ยงยังไงสุดท้ายมันก็ ต้องมีวันยุติพอเลิกลาเราก็ต้องเดินงงอยเหงากลับบ้านมันก็เป็นเช่นนี้แหละนะนถ้าเลือกที่จะสนุกเลือกที่จะสนานเนีก็ต้องเตรียมใจรับกับความหงอยเหงาหรือว่าความจืดชืด น, นะเมื่อสิ่ง น, นั้นที่ให้ความสนุกกับเรามันสิ้นสุดหรือยุติลง อันนี้พูดถึงความสงสนาของมาสงกรานเนี่ยนะปีนี้คนก็พูดกันมากว่านีมันสนุกมากเลยเพราะว่าอัดอั้นนะไม่ได้สนุกแบบนี้มาสามสี่ปีแล้วครั้งสุดท้ายก็โน่นสี่ปีที่แล้วปีห2สองพอมาถึงปีนี้ก็เลยก็ปล่อยเต็มที่นะปล่อยนี่ก็คือ ป่อยตัวให้ทำอะไรอย่างอิสระสนุกสนานเต็มที่นะที่จริงมันไม่ใช่สนุกเฉพาะปีนี้มันก็สนุกมาทุกครั้งนะถ้ามีโอกาสได้เล่นสงกรานกันซึ่งสำหรับหลายคนโดยเฉพาะคนที่มีอายุก็อาจจะไม่สบอารมณ์นะกับเหตุการณ์หรือภาพบางอย่าง เช่นการแต่งตัวที่ไม่เรียบร้อยนะหรือว่าการสนุกสนานแบบไม่มีขอบเขตจริงๆนั่นแหละนะคือธรรมชาติของสงการเลยนะคือไม่มีขอบเขตหรือมีน้อยมากมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะแต่คนไม่ค่อยได้ตระหนักเท่าไหร่เพราะเป็นนึกภาพสงการว่าเป็นช่วงแห่งการมีพิธีรีตรองนะมีระเบียบกฎเกณฑ์ นะต้องแต่งตัวเรียบร้อยไปวัดมีการส่งน้ำพระหรือว่าส่งน้ดน้ำผู้ใหญนะ่มีการทำบุญนะมีพฤติกรรมหลายอย่างที่นะเข้ามากำหนดพฤติกรรมของผู้คนในช่วงวันสงกรานต์แต่นั่นเป็นเพียงแค่ด้านเดียวของสงกรานตนะ์อีกด้านหนึ่งของสงกรานต์คือเทศการที่ ไม่มีกฎเกณฑ์เวลาลดน้ำพระนี่ก็อาจจะมีพิธีรีตรองแต่พอลดน้ำเสร็จก็เอาขันน้ำสาดใส่พระเลยก็มีบรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงไปฉับพลันเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่เอาน้ำสาดนะบางทีเอาแป้งมา ทาหน้านะก็มีนะคนที่เอาแป้งมาทาหน้าก็ไม่ใช่ใครเราก็โยมนั่นแหละเพอเพอเป็นผู้หญิงด้วยหลายคนก็ตกใจนะโอ้มันทำนี้ได้ยังไงมันไม่มีเรียกว่าไม่เคารพกฎเกณฑ์อะไรกันเลยที่จริงสงการเนี่ยนะจุดเด่นของ เทศกาลน่คือการปล่อยวางนะหรือการผ่อนคลายผ่อนคลายระเบียบกฎเกณฑ์ข้อห้ามต่างๆคนไทยสมัยก่อนนี่เขามีข้อห้ามมากทีเดียวนะเช่นข้อห้ามระหว่างผู้หญิงกับผู้ชา ย, ยมีข้อห้ามเยอะแต่พอถึงวันสงการนี้ก็ผ่อนคลายหรือปล่อยวางกันหมดเลยบางทีผู้หญิงก็พาผู้ชายไปถึงพืชก็มีขึงพืชนี่ก็ไปแกล้งนะไม่ได้ทําอะไรที่มัน ที่มันเรียกว่าเป็นการละเมิดทางเพศนะที่เสียหายหลายแห่งหลายที่นิมนต์พระนิมนต์พระมาทําบุญก็ดูมีระเบียบกฎเกณฑ์ดีมีการไหว้มีการกราดอย่างอ่อนน้อมพอเสร็จแล้วก็เนี่ยมีการอุ้มพระนี่โยนลงคลองก็มีแล้วคนที่อุ้มนี่ไม่ใช่ใครก็ผู้หญิงญาติโยมที่นิมนต์ คนที่ไม่เข้าใจก็ตกใจนะโอมันทำได้ยังไงแต่มันก็เป็นอย่างนี้มามานานทีเดียวแล้วเพียงแต่ไม่ค่อยรู้กันเท่าไหร่ว่ามันเป็นช่วงการปล่อยวางหรือผ่อนคลายกฎเกณฑ์ต่างๆบางทีก็เขาก็ย่อัวย่ยพระนี่นะเล่นบันเทิงได้นะแข่งเรือแข่งเกวียนแข่งบังไฟจุดบังไฟก็เอาปล่อยพระคุณเจ้าสัวันนะ ก็ไม่ถึอสาแต่ว่าไม่ให้เกินเลยนะไม่ใช่ว่ากินเหล้าไดไไไ้ไม่ถึงขนาดนัน้นเรียกว่าอนุญาตให้ให้ทําผิดระเบียบกฎเกณฑ์ที่เคยยึดถือกันได้มันไม่ใช่แค่ระเบียบกฎเกณฑ์อย่างเดียวนะบางทีแม้กระทั่งความรู้สึกเป็นหวงถิ่นหวงที่เนี่ยอย่างกรุงเทพสมัยก่อนเนี่ยมันมีคนหนุ่มๆเนี่ยมันมีการหวงที่กันมากนะหวงเขต อย่างคนที่บางลาพูเนี่ยนะจะไปยุ่มย้ามไปจีบผู้หญิงแถวบ้านบาดนี่ไม่ได้เลยลหนุ่มๆบ้านบาดนี่หวงมากถ้าคืนเข้ามาก็โดนตีโดนฟาดนะตอนประสงการนี่ปล่อยเลยนะอนุญาตนะเรียกว่าคลายความเป็นปฏิปปะให้มันทำได้นะความโกรธแค้นนี่วางเอาไว้ก่อน หรือว่าความห่วงแหนถิ่นหวงแหนที่นี้วางอาไว้ก่อนไม่มีความคิดว่าเป็นที่ของใครเพราะนั้นเนี่ยไอ้หนุ่มบ้านหนุ่มบ้านลำพู ก, ก็ไปจีบไปเล่นสงการกับผู้หญิงสาวแถวบ้านบาดก็ได้ยอมให้ยอมให้วันหนึ่งหรือยอมให้เทศกาลหนึ่งแค่นี้เป็นเรื่องธรรมดามากนะที่เป็น ลักษณะเด่นของสงกรานต์ที่คนสมัยนี้ก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ไปเห็นภาพสงกรานต์แต่เฉพาะการสงนำพระนะการทำบุญใส่บาทพระนะการแต่งกายด้วยชุดไทยนะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะอันนั้นก็ใช่นะแต่ว่าไอ้เรื่องการเรียกว่าปล่อยวางระเบียบกฎเกณฑ์ที่มีในสังคมนี่เขาก็ ก็มีเหมือนกันนะถามว่าทำไมนะเขาอธิบายเพื่อเป็นการคลายความเครียดนะเพราะระเบียบกฎเกณฑ์เนี่ยนะถ้าปฏิบัติมากๆเขานานๆเขามันก็เครียดได้เพราะว่ามันอาจจะสวนทางกับความรู้สึกนึกคิดของผู้คนที่เป็นปูุ้ชนเพราะงั้นเขาก็เลยยอมให้มีการผ่อนคลาย หรือว่าปล่อยวางระเบียบกฎเกณฑนะ์เพื่อเพื่อให้คนเนี่ยคลายความเครียดและพอพนศึกษ า, านี้ก็กลับมาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั้นใหม่อันนี้มันเป็นสิ่งที่นะโลกสมัยใหม่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าคนไทยสมัยก่อนนี่เขาเขาคุ้นเคยดีเขาก็มีภูมิปัญญาของเขาพอเขาล่ว่าการยึดติด ถือมั่นมากๆนี่มันก็ทำให้เครียดได้เพราะนั้นก็ปล่อยบ้างนะแต่ที่จริงแล้วนี่เราไม่ไปต้องปล่อยเฉพาะช่วงเทศกาลนะถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางนี่นะมันก็ทำได้ตลอดทั้งปีนะแต่ไม่ใช่ปล่อยวางระเบียบกฎเกณฑ์นะระเบียบกฎเกณฑ์จะมีก็มีไปแต่ว่าถ้าเรารู้จักปล่อยวางในเรื่องอื่นได้ มันก็คลายความเครียดได้เหมือนกันนะโดยเฉพาะสมัยนี้เนี่ยคนมีความเครียดนะการทำงานมากงานนี่มันกลายเป็นเป็นเรื่องใหญ่ของชีตผู้คนจนบางทีลืมพ่อลืมแม่ลืมลูกหรือว่าลืมแม้กระทั่งสุขภาพตัวเองหรือแม้กระทั่งสิ่งที่สาคัญอย่างอื่นของชีวิตนะ รวมทั้งการพักผ่อนหรือว่าการได้ดูแลบมรุงจิตใจของตัวเองแต่ถ้าว่าเราขณะที่เราทำงานหรือว่าทำกิจอะไรก็ตามในเช่อประจําวันเรารู้จักปล่อยรู้จักวางบ้า ง, างนะไม่ต้องไปรอปล่อยวางเอาวันสงกรานตนะ์แต่ทุกวันนะที่เราทํางานเนี่ยเราก็รู้จักปล่อยบ้างเวละพูดไปแลาเรต้องปล่อยวางหนึ่คนก็นึกถึงว่าเป็นเรื่อง โลกุตระนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ยากนะในที่จริงเนี่ยถ้าเราไปถึงการปล่อยวางตัวกูของกูนะมันก็เป็นเรื่องยากหรือว่าปล่อยวางอ่าไอสิ่งที่เรียกว่าอัตตาเนี่ยที่โบ ร, ราณเรียกอัตวาทุปปาทานเนี่ยหรือไม่ยึดมันถือมันในสิ่งทั้งปวงเนี่ยมันก็ยาก แต่ว่าการปล่อยวางมันมีหลายระดับนะและ้วุูทุชนก็ทำได้เริ่มจากระดับพืชๆระดับง่ายๆใช่เวลาทำงานเนี่ยเราก็จกปล่อยวา ง, งปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่งานที่กำลังทำอยู่ น, ยนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำได้นะกำลังทำอะไรอยู่กำลังรดน้นต้นไม้กาลังทำบัญชีเราก็อยู่ กับการลดน้ำต้นมาอยู่ ก, การทำบัญชีไอ้เรื่องที่ไม่ใช่สิ่งที่กำลังทำอยู่ข้างหน้าก็วางเอาไว้ก่อนนะจะเป็นเรื่องลูกเรื่องหลานจะเป็นเรื่ององานการอย่างอื่นจะมีกี่สิบอย่างก็วางเอาไว้ก่อนนะอันนี้คือสิ่งที่เราทำได้นะรวมทั้งวางสิ่งที่เราเรียกว่าอนาคตนะ อนาคตคืออะไรอนาคตก็คืออย่างเช่นความสําเร็จที่มุ่งมา่นปรารถนาหรือเป้าหมายที่อยากจะไปให้ถึงในะความสําเร็จมันคือเรื่องอนาคตเป้าหมายหรือยอดที่ต้องการทําให้ถึงเป้านี่มันก็เป็นปอนาคตแล้วเราก็ฝึกปล่อยวางได้นะมันก็เหมือนกับเวลาเราเดินทางเวลาเดินทา ง, าทางจะเดินทางไปเชียงใหม่จะเดินทางไปลบบรุรีหรือจะเข้ากรุงเทพก็แล้วแต่ เป้าหมายอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเวลาเดินทางเราก็วางเป้าหมายาไว้ก่อนเพราะถ้าไปตจดจ่อเป้าหมายมันก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาแล้วกเกิดความสับเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงหลายคนเนี่ยจะเวลาเดินทางจะเครียดมากโดยเพราะขาไปนะเพราะมันตรวจจอกับเป้าหมายหลายคนเหนื่อยเวลาขาไปแต่เวลาขากลับไม่ค่อยเหนื่อย้ทําไมนะเพราะตอนกลับเนี่ยไม่ค่อยสนใจเป้าหมาย แต่ตอนขาไปเนี่ยมันสนใจเป้าหมายมากเพราะมีธุระอยากจะไปทำให้เสร็จอยากจะมาปฏิบัติธรรมบ้างหรือไม่ก็อยากจะไปเที่ยวนะมันก็เลยจดจ่อที่ที่เป้าหมายทั้งที่ตัวนี่นะอยู่แค่ค่อนทางอย่างเช่นจะมาชัยภูมิเนี่ยตัวอยู่วางน้อยนะแต่ว่าใจมันจดจ่อที่ชัยภูมิแล้วมันก็เลยเครียด ยิ่งไปเที่ยวเนี่ยคิดจะไปเที่ยวที่เชียงใหม่คิดจะไปเที่ยวที่ภูเก็ตนะหมายม่านปั้นมืออยากจะไปพบวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแต่มันไม่ถึงสักทีแต่ลืมไปว่าสองข้างทางเนี่ยมันก็มีอะไรดีๆให้ชื่นชมทําไมเนี่ยไปจดจอ่ออยู่กับเป้าหมายข้างหน้าโดยที่มองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่รอบตัวเนี่ยถ้าเราฝึกปล่อยวาง เป้าหมายเอาไว้ก่อนนะอยู่กับปัจจุบันให้มากๆแต่อยู่โดยไม่ยึดติดนะนะเพราะว่ายึดติดปัจจุบันก็ทุกข์เหมือนกันอย่างเช่นนะเสียงดังที่กระทบหูเรามันก็เป็นปัจจุบันนะแต่ว่าถ้าเราไปยึดนะเราก็เครียดต้องปล่อยเมื่อกันนะ <c oughs> แต่ก่อนนี้ปล่อยวางปัจจุบันก็อยากอยากปล่อยวางอนาคตก่อนโดยเพราะสิ่งที่เป็นเป้าหมาย ไม่เป็นเป้าหมายการเดินทางหรือเป้าหมายของงานที่ต้องการไปให้ถึงงานมันจะใช้เวลาอีกกี่เดือนกว่าจะเสร็จก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตไปแต่เราสนใจ ง, งานที่กำลังทำอยู่นี่ก็เราปล่อยวางเลยนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะปล่อยวางอดีต ก, ก็ตามปล่อยวางอนาคตก็ตามปล่อยวางเป้าหมายหรือความสำเร็จที่ต้องการก็ตามนี่เป็นสิ่งที่ทาได้ คอยพิงจะมีสตินะเวลาใจมันเผลอแว บ, บออกไปจากงานที่ทำไปอยู่ที่เป้าหมายหรือไปอที่จุดหมายปลายทางก็ให้มันให้มันรู้ตัวแล้วก็ดึงกลับมานะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับงานที่ทำอยู่กับวิวทิวทัศน์สองข้างทางหรืออยู่กับผู้คนที่กาลังพูดคุยกับเราสนทนากับเราอยู่ต่อไปก็รู้จักปล่อยวางนะสายตาของผู้คนนะ ผู้คนเขาจะมองเราอย่างไรเขาจะชื่นชมเราหรือเปล่าหรือเขาจะตำหนิเราไม่ก็ช่างนะเราทำอะไรเราก็ใจเราก็จดจ่ออยู่กับสิ่ง น, นั้นอย่าเพิ่งไปคิดว่านี่เขาจะมองเราอย่างไรหลายคนนี่พอเป็นไปนึกถึงสายตาของผู้คนที่กาลังจับจ้องตัวเราอยู่นี่เกรงเลยนะซึ่งก็เป็นธรรมดา นัฟุตบอลระดับโลกเนี่ยเวลาเตะลูกโทษตรงจุดโทษเนี่ยหลายคนเนี่ยจะเกรงแล้วก็ทุกมากเลยเพราะอะไรนะไม่ใช่เพราะว่าเตะตรงนั้นมันยากเตะไม่ยากแต่ที่มันยากคือสายตาของผู้ชมนะซึ่งมีเป็นไม่ใช่แค่แสนนะบางทีเป็นหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านพอไปมองไปแคร์ว่าเขาจะมองเราอย่างไรถ้าเกิดเราเตะไม่เข้าเนี่ย หรือถ้าเตะไม่เข้าแล้วทีมเราจะแพ้โอกาสทองจะหลุดมือไปมันเกรงนี่มาเลยนะพอเกรงแล้วนะแล้วเครียดตามมานะคราวนี้แหละนะเตะผิดเตะพลาดเห็นอยู่ บ, บ่อยๆอันนี้พรา อ, อะไรนะเพราะไปแคร์สายตาของผู้ชมไปสาไปแคร์สายตาคนอื่นแต่นักฟุตบอลที่เก่งจริงๆนี่เขาเวลาเขาจะต้องเตะลูกโทษที่จุดโทษนี่เขาไม่รับรู้สายตางผู้คนเลยหรือ ว, ว่า ทั้งโลนี่มีมีเขากับฟุตบอลแล้วก็ประตูที่อยู่ข้างหน้าทั้งนั้นแหละงั้นถ้าเราปล่อยวางนี้ได้นการทำงานมันก็จะมีไม่ใช่แค่มีความสุขอย่างเดียวนะแต่ว่ามันก็จะสาเร็จได้ง่ายด้วยคือมีความสุขคือไม่เครียดไม่เกรงแล้วก็สาเร็จเพราะว่าพอไม่เครียดไม่เกรงแถมมีสมาธิมันก็สามารถจะใช้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ แต่ถ้าเครียดถ้าเกรงแล้วนี่ความสามารถที่มีมันก็หายไปครึ่งหนึ่งนะหรือว่าจะมากกว่านั้นจึงเตะผิดเตะถูกเตะออกนอกกรอบบ้างหรือว่าเตะเข้าอซองของประตูบ้างเนะี่ันนี้พราะเกร็งนะเพราะว่าไปแคร์สายตาของผู้คนในะศิลปะของการเตะลูกโทษเนี่ยหรือศิลปะของการเล่นฟุตบอลเนี่ยก็คือไม่ต้องไปแคร์สายตาของผู้ชม แตไ่ไม่ใช่แค่เป็นศิลปะของนักเนฟุตบอลอย่างเดียวศิลปะของการทํางานให้ได้ผลและคนทําก็มีความสุขก็คือการที่เราใจอยู่กับงานนะด้วยใจเต็มร้อยนะไม่พววงไปถึงเป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าความสําเร็จที่รออ ย, อยู่หรือคาดหมายรวมทั้งสายตาผู้คนด้วยยิ่งต้องฝึกนะมันต้องฝึกนะ เพราะว่าธรรมดาเนี่ยนะมันก็อดไม่ได้นะที่จะคิดถึงาสายตาของคนแล้วเจะมองเราอย่างไรนะเวลาคนชมก็ดีใจเวลาคนตำหนิก็เสียใจอันนี้เป็นธรรมชาติของปุถุชนแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเรารู้จักฝึกจิตให้มันมีสติมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่ในการที่จะตัด สายตาของผู้คนออกไปมันก็ทําได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็ไม่เหลือวิสัยที่จะทําได้นะล้วพอทำได้ตรงนี้เนี่ยต่อไปก็ฝึกนะให้มีรู้ใช้รู้จักปล่อยรู้จักวางอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะอารมณ์กลัวโกรธเครียดเกลียดวิตกนะอ่าอันนี้มันเป็นอารมณ์แล้วมันไม่ใช่แค่ความคิดไอ้ความคิดนี่ เรารู้ทันมันได้เร็วได้ง่ายกว่าอารมณ์นะคิดถึงงานที่รออยู่คิดถึงความสำเร็จข้างหน้านะคิดถึงสายตาของผู้คนเนี่ยมันเป็นความคิดแต่ว่าสิ่งที่มันรู้ทันยากกวาความคิดคืออารมณ์เวลาเราคิดเราคิดเป็นภาพนะเราคิดเป็นคำแต่อารมณ์นี่มันไม่มีภาพไม่มีค่อยคำออกมามันเป็นความรู้สึกนะ ที่แม้แต่จะบรรยายบางทีก็บรรยายได้ยากแต่เรารับรู้ได้และพอมารู้สึกลรวก็เครียดรู้สึกแล้วก็ทุกข์แต่ก็ไม่มันก็ไม่ไม่ยากในการที่เราจะรู้ทันรู้ว่ามันมีอารมณ์พวกนี้อยู่รู้แล้วเนี่ยต่อไปก็แค่รู้เฉยๆคือเห็นไม่เข้าไปเป็น อ, อย่างนี้ไม่ต้องฝึกแล้วล่ะนะมันต้องฝึกให้เห็นไม่เข้าไปเป็น รู้ทันอารมณ์ไม่ปล่อยให้อารมณ์เข้ามาครอบงำถ้าไม่ฝึกนี่มันจะเห็นช้านะแล้วมันก็จะถลัำเข้าไปในอารมณ์นั้นนะมันไม่ใช่แค่เครียดมันมีผู้เครียดเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่โกรธมันมีผู้โกรธเกิดขึ้นนี่เรียกว่าเป็นนะนะไม่ใช่แค่เห็นถ้าเราเห็นไม่ค่าไปเป็นมันก็ปล่อยวางได้นะอันนี้ก็เป็นการปล่อยวางที่ ายากขึ้นมาอีกหน่อยนะแต่ว่ามันก็ไม่เลอวิสัยที่เราจะฝึกได้ทำงานมันก็ย่อมมีความเครียดนะมันก็มีความหงุดหงิดมันมีความไม่พอใจเกิดขึ้นธรรมดาเราห้ามไม่ได้แต่ว่าเรารู้ทันมันได้แล้วพอรู้ทันแล้วมันก็วางหรือผู้ยางคือว่าแม้มันจะมีในใจแต่เราไม่เอาเนะี่ย มันมีได้นะแต่ไม่เอานะมันเกิดขึ้นได้นะแต่ไม่ค่อยไปเป็นอั น, นี้ต่อไปเนี่ยพอเราฝึกนะแล้วก็ฝึกปล่อยวางมากขึ้นเรื่อยเรื่แล้วก็ละเอียดมากละเอียดขึ้นเรื่อยเรยต่อไปก็ปล่อยวางงานนะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรียกว่าปล่อยวางตัวกูของกูเวลาทํางานเนี่ยมันก็ แลยิ่งทำจริงทำจริงมากเท่าไหร่มันก็อดไม่ได้ที่จะยึดว่าเป็นของเรางานของเรานะหรือว่างานได้เป็นตัวกูได้ซ้ามันก็เป็นธรรมดานะเพราะอย่าว่าแต่งานเลยนะที่นั่งที่เป็นของสาธารณะถ้าเกิดเรามานั่งนะนั่งสักพักแล้วเรา อ, ออกไปข้างนอกเพื่อจะเข้าห้องน้าเนี่ย มันอดไม่ได้ที่จะไปยึดมั่นถือมันนะมันมนที่นั่งของเราพอกลับมาแล้วมีคนมานั่งที่ตรงนั้นเราไม่พอใจก็มีนะไม่พอใจามามันนั่งที่นั่งของฉันได้ยังไงหรือคนที่จอดรถในที่สาธารณะเนี่ยอยู่ บ, บ่อยๆตำแหน่งเดิม บ, บ่อยๆเนี่ยเพราะว่ามันมีร่มมีร่มเงาของต้นไม้ชอบนะนะมาธุระที่นี่ทีไรนะก็จะต้องจอดตรง มุมนี้แหละตำแหน่งนี้แหละนะจอดทุกวันทุกวันทุกวันมันโกรธไม่ได้นะที่จะยึดว่าเป็นที่จอดรถของเราของกูวันไหนนี่ปรากฏว่ามีรถคันอื่นมาจอดตรงนั้นไม่พอใจนะโกรธบางทีเขียนข้อความใส่กระดาษนะไปติดไว้ที่หน้ารถเลย น, นะ ดานะดมานะมาจอดในที่ของคนอื่นทํามไมไม่ไปจอดที่อื่นเนี่ยขนาดไอ้สิ่งที่ไม่ใช่ของเรานะหรือไม่ใช่ทรัพย์สินของเราเราจะไปยึดมาเป็นของเราเลยแน่ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับมันเพียงแค่ชั่วไม่กี่นาทีหรือแค่2อสามชั่วโมงนัาประสาอะไรกับงานการนะทำงานการมันก็ มันไม่ได้เคิดว่าเป็นงานของเรางานงานของเราซึ่งก็มีข้อดีนะพอคนเราถ้าไม่คิดว่าเป็นงานของเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยใส่ใจมันไม่มีความสื่อเป็นเจ้าของนะคนที่ไม่รู้สวยเป็นเจ้าของงานก็กทําแบบขอไปทีแต่พอยิดว่าเป็นเจ้าของเนี่ยมันก็ทําแบบยึดมั่นถือมั่นนะมันก็เครียดขึ้นมาได้ต้องรู้อยากปล่อยมั่งนะว่างานไม่ใช่ของเรา หลวงพ่ อ, เ, อเขียนท่านพูดอยู่เสมอนะงานหลวงพ่อล้มเหลวแต่ตัวหลวงพ่อไม่ล้มเหลวเพราะอะไรเพราะท่านไม่ยึดว่างานนั้นเป็นเป็นท่านเป็นตัวท่านเป็นของท่านหรือถึงสำเร็จนะก็ไม่ได้ยึดถือว่าท่านสำเร็จนะคนที่ฉลาดเนี่ยรู้ทันกิเลสนะรู้ทันโทษของความยึดมั่นถือมั่นก็จะยกผลงานเป็นของคนอื่นไป ถ้าอาจะรยพูดทาว่ายกผลงานเป็นของความว่างลดผลงานเป็นของธรรมชาติไปหรือยกผลงานเป็นของหมู่คณะไปไม่ใช่ของเราเนี่ยอันนี้นก็ช่วยลดความยึดมั่นถือมั่นได้เนี่ยเวลาอันนี้รวมไปถึงเวลาได้รับคําชื่นชมสารเสริญได้รางวัล น, นะก็ไม่ยึดว่าเป็นเป็นรางวัลของเรามี ผู้ชายคนหนึ่งนะได้รางวัลนะได้รางวัลโฆษณานะกลับมาถึงบ้านนี่เราก็บอกลูกว่าเนี่ยจะทำยังไงกับรางวัลนี้ดีเนะี่ยลูกบอกวางลงสิพ่อวางลงสิพ่อนะที่ให้วางมันลงนี่ไม่ได้แค่วางเฉพาะตัวโล่ตัวเหรียญ น, นะแต่ให้วางไอความยึดมัดินของเรา เ, าเด็กเขารู้นะว่า แม years, ้กระทั่งหลังวันนี้ก็ยึดว่าเป็นราเป็นของเราไม่ได้เพราะถ้ยึดวันวันเป็นของเรายึดเป็นความสวยเป็นของเราต่อไปถึงเวลาล่มเหลมก็ไม่ได้ที่จยึดว่าเป็นความล้มเหลือเป็นของเราแล้วก็เครียดแล้วก็ผ่านยึดอะไรต่ออะไรเป็นของเราเป็นหมดนะต่อไปเนี่ยหรือว่าทําอยู่แล้วนะลูกของเราคนรักของเรานะซึ่งคนนี้เป็นที่หมายความทุกทั้งสิ้นอันนี้ก็เป็นการปล่อยวางที่ เราทําได้นะมันมีลําดับขั้นนะหลายระดับที่เราทําได้ไม่ใช่ว่าเวลาพูดถึงปล่อยวางแล้วโอ้ยมันยากมันทําไม่ได้บางอย่างเราทําได้บางอย่างเราทําได้เลยนะบางอย่างทําได้ไม่ยากแล้วก็ฝึกไปฝึกกับงานฝึกกระชีวิประจําวันนะะต่อไปจดเข้าใจนะที่ถ้าจะพูด ท, าาทา่ทดววาว่าทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่าง จิตว่างเนี่ยอาจจะไม่ได้ว่างจากกิเลสทั้งหมดนะแต่ว่าอีกน้อยก็ว่างจากอนาคตหรือว่างจากเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึงหรือว่างจากจุดหมายที่ต้องการบรรลุนะอาจจะว่างเป็นบางอย่างบางเรื่องก่อนต่อไปเนี่ยมันก็จะไปถึงขั้นว่าว่างจากตัวกูของกูหรือว่างจากความยึดมั่นในตัวของกูของกู หรือวางจากกิเลสนะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องฝึกกันนะ อ, อีกหลายขั้นตอนแต่น้อยเนี่ยขณะที่ยังมีกิเลสอยู่นะเราก็ยังสามารถที่จะปล่อยวางเรื่องง่ายๆได้เวลฝึกในชีวิตประจําวันเนี่ยนะมันก็ไม่ต้องรอนะไม่ต้องรอเทศกาลอย่างการปล่อยวางเพราะเราสามารถที่จะปล่อยไดนะ้ทุกขณะของการทํางานทุกขณะของการ ดำเนินชีวิตไม่ใช่เฉพาะแค่งานอย่างเดียวนะเวล า, เาอาบน้ำถูฟันนะเราก็วางนะวางอนาคตวางอาดีตหรือวางงานการที่จะต้องทำถัดจากนี้ไปไม่ใช่ว่าอาบน้ำไปก็คิดไปแล้วว่าเดี๋ยวจะทำอะไรต่อกินข้าวก็คิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะทำอะไรต่อมันเชื่องี้ตลอดเวลาและสุดท้ายก็จิตใจก็เต็มไปด้วยความเครียดนะทำอะ ไ, ได้วยความลุกลี้ลุกลนรีบรบท ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทามก่อนยึดมั่นถือมั่นอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดแม้รทั้งความทุกข์ความเครียดความโกรธความหงุดหงิดความขุ่นเคืองนะไม่ปล่อยไม่วางเลยเฉนั้นถ้าหาว่าเราอยากจะให้ชีวิตเราเนี่ยสุขสบายมากขึ้นต้องรู้ฝึกนะฝึกให้รู้จักปล่อยวางบ้างแม้จะปล่อยวางไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ก็ปล่อยวางทีละนิดทีละหน่อยมันก็ทาให้ชีวิตนี้นะผ่อนคลายมากขึ้น